ทีนี้พอละลึกอย่างนี้เนืองๆสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมแทนที่จะปล่อยให้เป็นการมวิตกกามวิตกก็ไม่เกิดราคาก็ไม่กลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวจิตขณะนั้นก็ตรงะนะเพราะเพราะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าผู้ตรง ก็อริยาสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารบพระตถาคตย่อมได้ความรู้อัตถะเนี่ยนะก็ี้ไปก็อัตถะก็ปรากฏขึ้นก็จะได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมะเมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมสเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเนี่ยนะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเป็นไงต่อ รู้เห็นตามเป็นจริงอะนะแต่เอานี้ตั้งมั่นก็พอนต่คือคือแสดงไว้แค่นี้ก่อนก็พอนะแต่ปฏิบัติไม่ต้องหยุดแค่นี้หรอกรู้เห็นตามเป็นจริงสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้น ะ, จะเจริญด้วยสติประธานสัมมารประธานอิทิบาทโพชฌงก็ว่าไปแต่นี้พูดถึงว่าถ้าหากว่าแทนที่จะปล่อยให้อกุศลวิตกก็มาเป็นเนคข ม, มวิตกเนี่ยน ะ, นะคือโดยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการสาธยายบ้างนะคือนึกในใจเฉยๆก็ได้สาธยายบั่งก็ได้ เอาวันสักหลา ย, ลายรอบนะจ๊านิดนะเห็นไหมก็ขับรถไปรอบหนะึ่งก็ได้ตั้งหลายครั้งอนะไนึงมันก็แทนที่จะคิดเรื่องทั่วไปคันนี้มันจะไปไหนคันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยนะแทนที่จะไปอ้ายแทนที่จะไปนั่งอ่านวันนี้นิสันนี้โตโยตานี้อะไรก็ยี่ห้อรถนะไม่ต้องไปนั่งอ่านยี่ห้อรถไม่ต้องไปอ่านเลขทะเบียนว่ามันเชียงใหม่ภูเก็ตอุดรห น, นองคายที่ไหนหรอกก็ไปนั่งเนี่ยสวดอิติปิโสไปแทนคิดถึงพระพุทธเจ้าแทนเนี่ยนะ ไม่ต้องไปคิดว่าเออนี่มันรุ่นไหนนะออกมาใหม่อะ่ะนี่ก็ไม่ต้องเจริญอิทธิปิโสโทแทนจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยก็อย่าลืมนะก็บทที่เป็นภาษาไทยก็ได้นะอระหังไกลาจากกิเลสกรรมจัดฆาสึกคือกิเลสทักซี่กรรมแห่งสังสารวัก์เป็นต้นนะก็ละลืกไปเรื่อยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็จิตจิตในขณนะนั้นอกุศลไม่กลุ่มรุมอย่างหนึ่ง คือว่าขณะที่เจริญในขณะนั้นนะเป็นอุปนิสัยอย่างดีต่อการเจริญกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปเนี่ยนะก็คือ tha, ทําฐานรองรับให้จิตปูพื้นฐานให้ความคิดเนี่ยนะให้เป็นไปกับกุศลให้มากๆเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยในขณะนั้นให้เป็นอกุศลเราก็เหมือนกับว่าทำาทำฐานของความคิดที่จะเจริญกุศลชั้นสูงไว้ไม่ดีแล้วเนี่ยนะแม้กระทั่งถ้าปล่อยให้อกุศลมันเกิดมากมากนะไปอ่านพระไตรปิดกกุศลก็ไม่ค่อยเจริญนะัก แทนที่จะอ่านแล้วก็จะลึกซึ้งเข้าถึงอัดถึงธรรมก็ไม่ค่อยเข้าถึงอัดถึงธรรมเพราะอะไรเพราะว่าเราปล่อยให้อกุศล ม, มันกลุ่มรุมมากเกินไปในในระหว่างก่อนหน้านี้มาเพราะฉะนั้นการคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าแบบนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากนะก็ท่าแรกๆจําอะไรไม่ได้ก็ไกลจากกิเลสก่อนก็ยังดีน ะ, นะถ้ามากขึ้นก็กําจัดข่าสึกคือกิอเลสทักษิยกําแห่งสังสารจักรเนี่ยนะก็ว่าให้มันกว้างๆไปอีกสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้โดยชอบนะนะ ตอนแรกเรคิดอย่างนี้ก่อนนะพระองค์งตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องแล้วก็ด้วยพระองค์งเองทํา ม, มีความรู้มากขึ้นก็โอ้รู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้เนี่ยนะแต่ธรรมากขึ้นไปอีกธรรมะหนึ่งควรกําหนดรู้ธรรมะสองสามสี่ห้าเจ็ดแดเกควรกําหนดรู้ก็เอาสาธยาให้หมดเลยก็ได้เงี้ยนะก็ <c oughs> ถ้าจิตตอนนั้นก็ไม่ไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะก็สงบดีก็ถามว่าในโลกนี่นะ จริงๆแล้วนะเราชอบคิดถึงคนอื่นมากไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแต่ว่าในบรรดาคนที่เราชอบคิดถึงนะด้วยใจรักที่จะคิดและใจอยู่ก็คิดถึงเลยนะคือพระพุทธเจ้าไม่ค่อยคิดแบบนั้นนะแวบมาก็พระพุทธเจ้านะว่างก็คิดถึงพระพุทธเจ like ้าอย่างนี้มีไม่มากเว้น แ, แต่ว่าคนที่เห็นคุณของพระรัตนตรัยจริงๆเนี่ยนะพอไม่คิดอะไรแวบก็พระพุทธเจ like ้าเข้ามาแล้วแวบก็พระพุทธเจ like ้าเข้ามาแล้วแต่เราบางทีก็ต้องน้อมไปอ่ะนะเพราะว่าหนึ่งะเราเสพคนพานมากกว่า มากกว่าบัณฑิตอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็ถ้าจะว่าไปแล้วนะโดยทางกายเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยคนจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถามาง่ายหรือยากตอบว่าเข้าเฝ้ายากเนี่ยนะแม้แต่พระอนนท์เองก็เหมือนกันนะท่านเข้าเฝ้าวันละหลายรอบอ่ะแต่ก็ไปนะไม่ได้ว่าจะไปคุยกับพระพุทธเจ้าได้นะถ้าไม่ได้เหตุที่สมควรเนี่ยไม่เข้าไม่ได้เนี่ยนะไปเออข้าพระองอยากมาเข้ามากราบเฉยๆคืนนี้แหละพระเจ้าขะาถ่ายังงี้ไม่ได้ นะต้องมีปัญหาสักอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพระพิสุสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งคือไปหาอะไรก็ได้อยากให้ได้ได้ไดหาหมูลเหตุที่จะได้ไปถามพระพุทธเจ้าได้ mm hmm. เขาจะเที่ยวส่ะหาหมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าเออเดรธีพูดอย่างนี้เออเด็กเขาไปพูดพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะเขาจะหาทิศทางไว้แบบนี้เสมอเนี่ยนะถ้าไม่ได้เหตุที่สมควรนี่พระองค์ก็ถามอา้าวทาไมมาในเวลาไม่สมควรล่ะเนะี่ยพระองค์ก็จะถามกันแะล้วก็ตอบไม่ได้เงี้ย อันถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเป็นผู้ที่เข้าเฝ้ายากมากเหมือนกันเพราะฉะการอันนี้ทางกายก่อนนะแล้วทางใจแหละอยู่ๆแล้วว้าคิดถึงพระ อ, องค์เองเนี่ยนะแต่ยิ่งแบบของเราทั้งหลายเกิดมาก็ไม่เคยเห็นหน้าพระ อ, องค์ด้วยจําคําของพระ อ, องค์ก็จํามากไม่เคยได้อ น, นะถ้าเทียบถึงจําคําของนักร้องดังๆเนี่ยนะจำได้ทั้งเยอะแยะไปหมดเลยว่าได้เป็นตั้งหลายสูตรนะไหนนะคุณโยมได้หลายสูตรไหม นักร้องที่ชอบชอบสมัยโบราณนี่ <c oughs> ขึ้นต้นนะก็จบเลยนะตอ น, น, นพอดนตรีขึ้นแตงแต ง, แตงนะจําได้หมดเลยว่าหัวไปยังไงท้ายไปยังไงอนะอแทงตลอด <c oughs> อ๋อแล้ว่ามันก็ชอบร้องเพลงกันนะบางคนเนี่ย โ, โหเก่งมากกันนะก็อย๋ยงผู้หญิงเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ยตอนที่มันกินเลี้ยงอะนะไม่รู้เอาเพลงมาจากไหนมาสรรหามารอ้องกันเต็มไปหมดเลยนะ แต่ก็เมื่อคืนก็เราฟังเสียงร้องเพลงอะนะทําให้นึกถึงสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะนั่นเกตสดาก็ไปร่วมกับเขาด้วยก็นึกถึงสูตรที่พระองค์ตรัสว่าเสียงร้องเพลงอะ่ะคือเสียงร้องไห้ในอารยะวิัยนี้เนี่ยนะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือการเต้นรําคือการเป็นบ้านในอารยะวิัยนี้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราเราไม่ไม่นึกไม่ออกมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยนะก็ไม่ก็อา้าวก็ขนาดที่ร้องนี่มันสนุกนี่แต่ว่าทําวินัยถือว่านั่นแหละคือการร้องให้ในอริยวินัยนะก็เสียงหัวเราะอันนั้นแหละเป็นเหตุของการร้องให้ต่อไปเนี่ยนะคื อ, ค, อคือสมูทไทยของการร้องให้ดีๆนี่เองเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วก็การเต้นรําคือความเป็นบ้าในอริยวินัยนี่เนี่ยนะมันก็เต้นมากกับบ้ามากาแล้วกันก็สะสมอุปนิสัยเอาไว้ที่จะที่จะเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะ ก็มาจําได้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินไปเดินเดินผ่านร้านวิทยุแห่งหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นร้านเครื่องเสียงไปร้านเขาก็เปิดเพลงธรรมดาของเขาอ่ะนะมันมีโยมคนหนึ่งอะ่ะอายุสักหกสิบละ <c oughs> แกก็เดินไปเนี่ยนะเดินไปก็ผ่านร้านตรงนี้นะแกก็ดิ้นไปเรื่อยนะจนผ่านร้านเนี่ยพอหมดได้ยินเสียงเพลง ก, ก็เดินปกติไปนะ นะเพลงก็ก็เปิดไอ้นั่นเนะี่ยแกก็ดิ้นไปเรื่อยนะจนจนมันผ่านร้านนะนะั้นน่ะค่อยไปที่อื่นต่อแในกันนะั่งโอ้โหแสดงว่าเข้าเนื้อเข้าเลือดมากพอได้ยินเสียงเพลงปั๊บเนี่ยนะโอ้โหนั่งยึกยักยึกยักยึก ย, กยกโหเต้นไปตั้งไกลเลยก็นะนะก็ถามว่าถ้ามองโดยเต็มเต็มน่ะนะนะถ้าคนไม่ได้ยินเสียงเพลงนะจะนึกว่าคนนี้บ้าจริงๆพอเพราะไอ้นะเดินเดินไปทําไมดิ้นไปพักหนึ่งแล้วก็เลิกดิน้นแล้วก็เดินในธรรมดาไปก็นะแล้ก็ นั้นาาการเต้นรำก็คือความเป็นบ้านในอริยาวินัยนี้นั่นเองเนี่ยนะนะก็ซ้อมๆมาไว้นะแต่ถ้ายังไม่เห็นสัจจะก็ไม่ได้พ้นอะไรเลยน ะ, ะนก่อนนี้หรเป็นลำเริมอะไรนี่นะก็ยังไม่ค่อยดูว่าจะ <h ums> มอ่เ็นวจะเป็นบ้า น, นแต่ถ้าตอนดิห า, างเครื่องชัดเจนมากชัด <h ums> <h ums> เจนมากว่าเหมือนคนาจริงนั ไม่ไม่ไม่ต่างกันน้องมายังจําได้เลยเพื่อนเขาชวนไปเขาบอกอ๋อไม่เป็นเลยยกงั้นก็าอายอย่างงี้ก็าอายโอพอละเลิกละเห็นไหมไม่ไหวก็เป็นอายุไม่มากเลยนะแต่ว่าเขาก็เฮ้ยเขอบอกว่าไอ้รํา ม, มันทํำยังไงไมเขาบอกบอกมานี่จะสอนให้เขาก็จับยกมือยกไม้บอกโอ๊ยพอละเลิกละเะนไหทีนี้ไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะ เขาเงียบนิ่งสงบมากทีนี้ไอ้สมัยแถวแถวบ้านเขาจะมีอะไรนะไอ้เทคนอกสถานที่อหนไะมไม่คนนิ่งๆงโงมันเต้นได้เกือบทั้งคืนไหนเรานี่ชอบคุยแต่ว่ามันเรื่องไงราอะไรเขาเลย <c oughs> แต่ไงก็แต่ถ้าทำไว้อย่างนั้นบ่อยๆงันมาตึกตาธรรมะอายแย่เลยนะ <c oughs> ดูก่อนมหานามะนี้อัตมาภาพกล่าวว่าอริยาสาวกเป็นผู้ถึงความเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อยนั้นการระ ล, ลึกถึงพุทธคุณนะคือปกติแล้วอ่ะหมู่สัตว์ไม่มีใครเรียบร้อยหรอกโดยมากนะไม่มีใครเรียบร้อยแต่คนที่เจริญพุทธคุณอย่างนี้ไปทําให้รู้อัรู้ธรรมเกิดปีติปรามโมทยาคาโทสะโมหะไม่กลุ่มรุมเนี่ยนะเขาเป็นผู้เรียบร้อยในขณะนั้นเขาเรียบร้อยทางกายเรียบร้อยทาง วาจาแล้วก็เรียบร้อยทางใจนะเป็นระเบียบหมดเลยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมูสัตว์ผู้ยังมีความพยาบาทเนี่ยนะปกติคนอื่นนะถ้าถ้าไม่คิดถึงพระพุทธเจ้ามันก็ไม่มากใช่ไหมถ้าคิดชมอ่ะนะเออดีนะเ่านี้เขาออกคันใหม่มาเออเจ้านี้เขาดีนะเข้าไปไปก่อนเนี่ยนะเขาจะได้รีบไปทําธุระให้เสร็จอย่างเงี้ยนะเ อ, อ๊ที่เขารีบเขาอาจจะป่วยมั้งอย่างเงี้ยนะ หรือเขาอาจจะท้องเสียเขาแวะเข้าปั๊มหรือคนในรถอาจจะไม่สบายเขามีธุระด่วนอะไรเงี้ยนะไม่่อยคิดนะปาดหน้าไหนก็แช่งละทีเนี่ยนะเขาก็มันปกติก็ไม่ค่อยชมอ่ะนะเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนะเออชื่นชมเขาอันมุทีตากับเขามีมากไหมไม่มากเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วหมูสัตว์เป็นผู้มีความพยาบาทอยู่โดยมากนะก็นึกจาหนี้โน่นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ตรงนั้นก็เลวมากนันะตรงนั้นก็ไม่เรียบร้อยก็นึกจาหนี้ไปเลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปนะใครที่เพ่งโทษคนอื่นได้มากก็นับว่าเป็นผู้บริหารที่ฉลาดมากใช่ไหมเพราะว่าโหรู้เท่าทันหมดเลยว่าตรงนั้นใหม่ดีตรงนี้ใช้ไม่ได้ตรงนั้นใหม่เรียบร้อยคิดดูนะมันจะเสียสุขภาพจิตขนาดไหนนะเพราะฉะนั้หมู่สัตว์ผู้มีความพยาบามอยู่ก็เป็นผู้ที่ไม่มีความพยาบามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมะ ย่อมเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะกระแสธรรมก็หลั่งไหลใช่ไหมกุศลจิตก็หลั่งไหลมากสมมุติถ้าเจริญพุทธคุณสิบนาทีนะกระแสกุศลธรรมก็เกิด10นาทีถ้าเจริญ20นาทีกุศลจิตก็เกิด20นาทีถ้าเจริญในครึ่งวันกุศลจิตก็เกิดต่อกันครึ่งวันเนี่ยโอ้กระแสธรรมก็เกิดมากเนี่ยนะก็บอกบางแห่งก็แสดงว่าถ้าเจริญพุทธานุสติเป็นต้นนะกิจ ด, ด้วยการพึ่งเวทมนต์ไม่จําเป็น เนี่ยนะกิจด้วยเวทมนต์ไม่ต้องเพราะอะไรเพราะว่าการเจริญพุทธานุสติเป็นปริษเป็นเครื่องป้องกันอย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นเครื่องป้องกันดีอยู่แล้วที น, นี้โดยทั่วๆไปถ้าคนที่กุศลจิตโดยเฉพาะกุศลจิตมีพุทธคุณเป็นต้นเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็เทวดาก็ปกปักรักษาดีอยู่แล้วแล้วก็ประโยค่าสมบัติเพราะในขณะนั้นไม่ได้เมาด้วยราคะโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยนะก็สติสัมปชัญญะตอนนั้นก็นับว่าสมบูรณ์มาก ถึงจะจุติระหว่างนั้นก็ไม่น่าคือยังไงก็ไปดีอยู่แล้วเนี่ยนะที่พระมหาโมคคลานะหรือเท้าส ก, กะเป็นต้นก็ยกย่องชื่นชมอยู่แล้วว่าการเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้านี้ดีนักแลเพราะอะไรเพราะเป็นเหตุให้เมื่อสาตร์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แล้วก็ยังเลิศ ก, กว่าเหล่าที่วดาอย่างอื่นๆด้วย10ประการใช่ไหมด้วยธรรมสิบประกา ร, ร, การอายุวันณ่สุขปฏิพานเนี่ยนะอย่างหนึ่ง อีกชุดหนึ่งก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐะเนี่ยนะมันมียศมากมีอธิปไตยมากดีมากนันเจริญพุทธคุณนั้นมีแต่ดีอย่างเดียวเข้าใจว่ายังไงนะเข้าใจว่ามีปรมัชฌนาตถึงว่าเรื่องที่ตึกนั่นเนี่ยตรึกถึงพระปัญญาคุณ ท, ที่พระองค์มีปัญญา ที่ได้ได้ได้ไดค้นพบคดีนะครับ <c oughs> พระว่าพระองค์นั้นมีปัญญาที่จะเจริญในเรื่องดูเรื่องมีปัญญาในเรื่องของปรมัตถธรรมเช่นจงทะลุหรือว่าพระองค์ตรัสรู้ด้วยพวระองค์เองอย่างนี้ใช่ไหมเราก็คงจะต้องตืกว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรถ้ามาดพระองค์ตรัสรู้อะไรเนี่ยมันหนีไม่พ้นปรมัตถ์มันมันมันพ้นไปจากบัญญาต่างเยอะ รรคือบัญญัติบัญญัติกับปรมัดเนี่ยนะมันยังไงก็ทิ้งกันไม่ได้แต่ทีนี้ในขณะที่เราระลึกถึงคุณของขอ ง, ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในระหว่างนี้ก็เช่นระลึกถึงพระปัญญาคุณก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยนะก็เป็นสภาพธรรมที่มีอยู่จริงระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ปราศจากกิเลสก็นึกถึงโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะที่กรรมฐานที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์นะ คือพรมิหารนี่มีบัญญัติเป็นอารมณ์แล้วก็กสินพวกสายกสินก็มีทั่วๆไปนะโดยมากก็มีบัญญัติเป็นอารมณ์กรรมฐานที่เหลือมีประมัดเป็นอารมณ์เกือบหมดเนี่ยนะแรกๆนะอสุภะเนี่ยตอนตอนแรกๆ ก, ก, ก็ประมัดนั่นแหลพะพอเจริญไประยะหนึ่งก็จะเป็นบัญญัติเป็นอารมณ์เนี่ยนะถ้าถ้าจะได้ชาญ น, นะ หรือบางก็ก็สลับกันอยู่แล้วเนี่ยนะทีนี้ต่อไปนะระลึกถึงพระธรรมบางว่าอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมระลึกถึงพระธรรมนเนืองๆว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควร น, น้อมเข้ามาอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนเดี๋ยนะ เธอถ้าจักแสดงว่าเรื่องอริยสัจทั้ง4ประการเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีจริงๆซึ่งว่าผู้บรรลุจะต้องเห็นเองในอริยสัจเนี่ยนะแล้วก็ถ้าบรรลุแล้วอ่ะโดยเฉพาะมรรคสัจจะให้ผลไม่มีจํากัดการแล้วก็ควรเรียกให้ผู้อื่นมาดูควรน้อมเข้ามาหาตนอริยมรรคนะควรน้อมเข้ามาในจิตของตนหรือน้อมจิตของตนเนี่ยเข้าไปรู้พระนิพพานเหมอนันอันวินยูชนจะเพ่งรู้ได้เฉพาะตนเดี๋ยนะ ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวล็อกว่าอุคติตันยูท่านรู้ได้นะวิปัญจิตันยูท่านรู้ได้นะในญาตบุคคลก็รู้ได้ปทัทถาประมะก็คือรู้โดยพระสูตรไงรู้โดยคําสอนอะนะก็จะรึกไปตามคําสอนแทนดูก่อนมหานามะในสมัยใดอริยาสาวกรละลึกถึงพระธรรมเนืองๆในสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกนั้นอ่ะย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะ กลุ่มรุมเนี่ยนะแล้วก็เป็นปให้รู้อัดรู้ธทำก่อให้เกิดปีติปราโมทย์ก็ให้เกิดปัสสัตทิก่อให้เกิดสุขก่ขอให้เกิดสมาธิใช่ไหมแล้วก็ก็จะเป็นผู้ที่เรียบร้อยในหมู่สัตว์ผู้ไม่เรียบร้อยจะเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมะเจ ร, ริญธรรมานุสตินั้นไป ก็คิดดูนะคำทั้งหลายแหละในโลกนี้นะเราจําคําของใครได้มากกว่ากันถ้าเทียบนะเทียมนะจําคําของพระพุทธเจ้าได้เยอะนะคำไหนบ้างละ่ะที่เราจําของพระองค์ได้เนี่ยนะคือแทนที่จะจํำคาของคนทั่วๆไปพูดใช่ไหมบางคนนะเขาตําหนิเราเนี่ยนะโอ้จําได้ตั้งเยอะเลยนะเขาตําหนิเราเพราะเหตุอย่างนั้นโอ้แทงตลอดอัดหมดเลยรู้มาพยัญชนะอย่างนี้แม้ความหมายต้องอย่างนั้นอย่างนั้นนะโอ้ซึ่งมาก แต่พระพุทธเจ้าแสดงนี่เราก็นึกออกไม่ค่อยมากนะก็แสดงว่าสาระก็แยกไม่ค่อยออกเหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยทีนี้การระลึกถึงพระธรรมเนี่ยนะก็ให้สิ่งหนึ่งที่ควรกระทาความมั่นใจเอาไว้ว่าธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยนะนำเราออกจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะทีนี้เราก็มาค่อยๆระลึกต่อไปว่าเออธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยนะนำออกจากทุกข์ไหนบ้างล่ะก็ค่อยๆ ค, คิดต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นการเจริญ ธรรมมนุสติเห็นธรรมะเนี่ยนะที่นำออกจากวัตฏทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะโดยเฉพา ะ, ะมรรคเนี่ยนะก็นำออกจากอะไรออกจากสังสารทุกข์ส่วนพระนิพพานก็นำออกจากสังขารธรรมเนี่ยนะก็นำออกจากทุกข์ทั้งคู่เลยทีนี้ต่อไปนะดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยส า, าวกย่อมระลึกถึงพระสงฆ์นงเนืองๆว่า พระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อยายธรรมเป็นผู้ปฏิบัติชอบนี้คือคู่แห่งบุตรสี่คู่นะบุรุษ8นั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรของคํานับเป็นผู้ควรของต้อนรับควรของทําบุญควรทําอัญเชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าสมัยใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงพระสงค์เนืองเนืองสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นก็ไม่ถูก ราคาโทสะโมหะคลุ่มรุมก็จะรู้อัดรู้ธรรมก่อให้เกิดปีติปราโมทย์สุข น, นะก่อให้เกิดปัสสัตที่สุขสมาธินี่เพราะนั้นการเจริญสังฆคุณอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นผู้มีความสงบเรียบร้อยมีความไม่พยาบาทถึงกระแสธรรมเนี่นะเจริญสังคานุสติไปอีกข้อหนึ่งอริยาสาวกย่อมระลึกถึงศีลของตนเนืองเนืองศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทย อันวินยูชนสรรเสริญอันตันหาที่ทีไม่ยึดถือเป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยนะดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยะสาวกละลึกถึงศีลของตนเนืองๆสมัยนั้นจิตของอริยะสาวกนั้นก็ไม่ถูกราคาโทสะโมหะกลุ่มรุมเนี่ยนะก่อให้เกิดการรู้อัดรู้ธรรมเนี่ยนะก่อให้เกิดปีติปราโมทปัสสัตที่สุขแล้วก็สมาธิก็เป็นผู้เรียบร้อยมีความไม่มีความพยาบาทถึงกระแสแห่งธรรมะเจริญ ศีลานุสติอยู่ถ้าจะว่าไปก็นับว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลอย่างมากอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมระลึกถึงการบริจาคของตนเนืองๆจากานุสตินะว่าเป็นลาบของเราหนอเนี่ยวิธีระลึกนะเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอคือเมื่อหมูสัตว์ถูกมนทินคือความตณีกลุ่มรุมเรามีใจปราศจากความตณีอยู่ครองเรือน ปกติแล้วก็คนนี้ก็ตนหนีกันมาก น, นะเราดีแล้วนะคนอื่นเขาตนหนีเราคิดจะให้อย่างเงี้ยนะก็ดิ้นแป้เลยนะกลางวันนี้พู้การก็ฐานข้ายังไม่ทานเสร็จเลยเดินไปเอาอาหารมาให้ปลาก่อนแล้วค่อยกินต่อนะก็แสดงว่าไม่มีความตนีนีุ้มลมเอ้ออิ่มแล้วคนอื่นก็น่าจะได้อิ่มบ้างสัตว์อื่นจะน่าได้อิ่มบ้างเนี่ยนะก็สาธุ <c oughs> อนุโมทนาเนี่ยนะ <c oughs> ก็มีใจเรียกว่าไม่ถูกมัจฉริยะรุ่มรุมอยู่คลองเรือนก็ควรแกการอนุโมทนาเหมงอนกัน เป็นผู้มีจาค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มคอยหยิบของบริจาคยินดีในการเสียสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกคันดูกนมหานามะสมัยใดยอริยาสาวกย่อมระลึกถึงการบริจาคเนืองๆสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นก็ไม่ถูกราคาโทสะโมหะกลุ่มรุมนั้นระหว่างเจริญจาาคานุสติก็ทาให้รู้อัตรู้ธรรมเนี่ยนะก่อให้เกิดปราโมทปีติสุข ปัสสัตที่สุขสมาธิเนี่ยนะก็จิตก็ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นอย่างนี้ก็เป็นผู้เรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเป็นผู้เข้าถึงกระแสธรรมะเนี่ยนะก็เจริญจาคานุสติไปนั่นนผู้ที่เจริญจาคานุสติเนี่ยนะก็มีอาหารแห่งปีติปรามโมทเพราะฉะนั้นเวลาไหนที่ไม่ค่อยสบายใจนะก็นึกถึงทานที่เคยบริจาคไปเนี่ยนะหมอก็สบายเลยนะนึกถึงเลือดเมื่อไหร่ก็ยิ้มแป้มเลยนะ บอกเขาอนุมโอธนานะเขบอกว่าทานอาหารนี้ก็ทานให้มันมีเลือดจะได้เอาเลือดไปบริจากระนะก็<ด>อนุมโมธนาด้วย้ก็อย่างงี้ก็เจริญแล้วก็ให้เกิดปีติปรามโมทได้จะคิดว่าเอเดี๋ยวไปถึงโ น, โน้นลสเบียงมาไม่ค่อยพอนะลำบากอก็เปลี่ยนชาติจะคิดว่าเ อ, าอนะ๊ะเดี๋ยวไปถึงโน้นแล้วสเบียงมาไม่ค่อยพอนะลบากอีก เขาเป็นปฏิคาหกนะกเอื่ถ้าเขาไม่ไม่รับเราก็อดอีกนะ <c oughs> เขาไม่หิว <c oughs> เขาไม่กินเราก็อดอีกนะ <c oughs> กั่นก <c oughs> ็ให้ทานแบบสัปปุรุษให้ทานสัปปุริสถานเนี่ยนะก็คืออ <c oughs> ผู้ที่เป็นสัปปุรุษให้ทาน <c oughs> เช่นจะให้ตามการเนี่ยนะสัปปุรุษจะให้ทานตามการแล้วก็ สัตบุรุษนี้ก็จะให้ด้วยความเคารพเนี่ยนะก็คือเคารพในทายาธรรมเนี่ยอย่างหนึ่งเคารพในผู้รับเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยนะเคารพในทายาธรรมก็คือของที่สมควรแก่การให้อะนะอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งก็คือปรารถถึงคุณของผู้รับเนี่ยนะนี่อย่างหนึ่งส่วนที่สําคัญก็คือคําว่าทำด้วยความเคารพหมายถึงคําด้วยมือของตัวเองอันนี้ก็อีกในหนึ่ง อีกในหนึ่งก็คือทาแล้วก็ปรารภกรรมมศกตาปรารภกรรมและผลของกรรมรู้วิบากแห่งแห่งเจตนาที่ทำไปเพราะฉะนั้นการให้ทานแต่ละครั้งเนี่ยนะควรหยที่จะระลึกถึงว่าเอ๊ะทานเหล่านี้นะ่ะมีผลเช่นนี้เช่นนี้กับสักแต่ว่าให้เนี่ยควรอันไหนควรกับกันเนะควรรู้ไหมว่าวิบากที่ทำไปเนี่ยมีมีเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรต่อไปเนี่ยนะ เขาบอกว่าผู้ที่ให้แล้วก็ไม่ปารบกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินะชื่อว่าทําด้วยความไม่เคารพนะนี่นนะถา้าทําไม่ปารบกรรมเป็นเบื้องหน้าเป็นต้นนะชื่อว่าทําด้วยความไม่เคารพเลยเพราะฉะนั้นจึงควรที่เวลาให้ก็ตั้งสัมมาทิฏฐิไว้เบื้องหน้าแล้วก็การตั้งสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะกรรมสการตาสัมมาทิฏฐินะถ้ากรรมนี้นําเกิดเข้าเป็นติเหตุกะบุคคลก็าสา ม, มารถที่จะรูเะเ้เป็นฐานอย่างดีในการตรัสรู้มรรคผลได้ เพราะฉะนั้นเวลาให้ทานแต่ละครั้งเนี่ยนะควรตั้งกรรมและผลของกรรมเอาไว้เบื้องเบื้องหน้าเนี่ยนะตั้งกรรมและผลของกรรมเอาไว้เบื้องหน้า <c oughs> นี้ต่อไปนะว่าดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมเจริญเทวตานุสติคือระลึกถึงเนืองๆว่าเทวดาเหล่าจาตมมหาราชมีอยนี่นะคือระลึกถึงว่าเออเทวดาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิ ม, มานรดีปารนิมิต มิตรวสวัสดีเนี่ยนะมีอยู่แล้วก็เทวดาที่เป็นพรหมเนี่ยมีอยู่เทวดาเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีอะไรมีศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาเนี่ยนะถึงเราเองก็มีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาระมีปัญญาแบบเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะคือเขามีศรัทธาเราก็มีเอาคือหนึ่งนะศรัทธาเขาคืออะไรหนึ่งเขามีกรรมสกตารศรัทธาเราก็มี เทวดาเหล่านั้นมีตถาคตโพธิที่ศรัทธาเราก็มีเทวดาเหล่านั้นเนี่ยเข า, เารู้ผลบุญผลบาปเราก็รู้นะเขามีศรัทธาสองเขามีศีลคือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเว้นจากกายทุจริตเว้นจากวจีทุจริตเราก็เว้นจากกายทุจริตวจีทุจริต เ, เทวดาเหล่านั้นมีฮิริโอตต ป, ปะถึงเราก็มีฮิริและโอตตะ ป, ปะละอายชั่วกลรวต่อบาปเนี่ยนะก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เป็นการเจริญเทวานุสติ ไม่ใช่ยกตนเทียมเทวดาแต่รู้ถึงคุณคือเหตุว่าเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้นะคุณธรรมเหล่านี้เราได้ทําดีไว้แล้วเห็นไหมก็ถ้าเจริญอย่างนี้เวลาใกล้าตายก็ไม่หลงทำกาละนะแต่ไม่ใช่โอ้ก่อนจะตายนึกหากุศลไม่เจอเลยก็กรุณาตัวเองมากๆเลยนะถ้าไปเจอเข้าคุกใหญ่แล้วลำบากออกยากเห็นไหมคุกใหญ่คือนรกกับเดรฉาเนี่ออกอยากจริงอ <c oughs> ไม่เชื่อก็ลองคิดจะสงเคราะห์สัตว์ให้พ้นจากเดรฉ า, านสักตัวหนึ่งเถอะ อ่าโคกไม่มีกครงเหรอนะมันหนักมันมีกครงเองนะเวลาถูกทรมานนะสมมติน ะ, ะเป็นมนุษย์นะถูกตัดแขนตัดขาหรือถูกเคี่ยนเราบอกทรมานมากแต่ไส้เดือนนะวิ่งไปแล้วมันขาดครึ่งท่อนอย่างงี้นะมีใครดูแลมันเลยสมมติถ้าถึาถงเป็นสัตว์อื่นๆนะจะถูกงับมืองับเท้างับแขนงับขางับอย่างอื่นนะไม่มีใครไปดูแลมันสักเท่าไหร่หรอกเนี่ยนะมันถูกเป็นการถูกลงโทษที่นับว่าสาหัสสากันมากๆนะ บางทีก็ถูกลงโทษ ด, ด้วยไฟบ้างไฟไหม้เนี่ยตายเกลี้ยงหมดอ่ะนะเดี๋ยวบักพักหนึ่งก็น้ําท่วมตายไปหมดอีกเนี่ยนะบางช่วงก็เอายาไปฉีดอีกตายอีกมันโอ้ถูกลงโทษบ่อยๆเนืองๆจริงๆเลยนะหมูเดร์ฉานทีน่นี้มันก็จากเดร์ฉานสู่เดรา์ฉานอีกนั่นแหละเพราะเป็นเดร์ฉานแล้วมันจะแบบไปชดใช้กรรมแล้วก็จะปิดอบายได้ที่ไหนใช่ไหมที่คุณหมอเล่าเมื่อกี้ว่าปลาทูน่าตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งเกิดมาเนี่ยกินสัตว์ประมาณ20ล้านตัวเนี่ยนะ ทั้งชาติเนี่ยกินสัตว์ประมาณยี่สิบล้านถ้ายี่สิบล้านนี่ก็โอ้หแต่ละตัวก็ปานาติบาตรล่วงกรรมบดหมดเลยเนี่ยนะแล้วจากเดราชานสู่เดราชานอีกกี่กี่ล้านชาติเนี่ยนะจึงจะพ้นจากเดรฉานเนี่ยนะนะโอ้จึ ง, จ, งจึงควรจะระลึกถึงคุณเนอะเนี่ยนะปลาลบถึงศรัทธาศีลให้มากๆ <c oughs> ทีนี้ สมัยใดอริยาสาวกระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาระและปัญญาของตนและของเทวดานั้นอยู่หนึ่งเนืองสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมย่อมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมย่อมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยาสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารบเทวดาย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทเกิดแล้วย่อมเกิด ปีติเมื่อเกิดปีเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมสวยสุขผู้มีผู้มีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะเนี้ธรรมภาพกล่าวว่าอริยาสาวกผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อมูสัตว์ไม่สงบเรียบร้อยเนี่ยนะคือมูสัตว์นี้กายวาจาใจไม่เรียบร้อยแต่ว่าผู้เจริญอ น, อนุสติอย่างนี้เนี่ยกายวาจาใจเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบามอยู่ ในเมื่อหมูสัตว์เนี่ยยังมีความพยาบาทอยู่เขาได้ยินกันหมดแล้วไม่มีม่งของวันนั้น ในเมื่อมูสัตวยังมีความพยาบาทอยู่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมะย่อมเจริญเทวตานุสติดูก่อนมหานามาอริยาสาวกผู้ได้บรรลุผลทราบชาัดพระศาสนาแล้วย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ส่วนมากเนี่ยนะนั้นผู้ที่เป็นพระอริยาสาวกก็จะมีความสุขอยู่กับการเจริญอนุสติเนี่ยนะเกอแม้กระทั่งผู้ถึงกษัตริย์เมืองเมืองเวสาลีเนี่ยนะสมัยก่อนเวลาที่เขา เขาสนทนากิจการบ้านเมืองเสร็จนะเขาจะมาสนทนาพุทธคุณกันเนี่ยนะก็จะมาสนทนาพุทธคุณกันหลังจากที่ที่ที่ปรึกษาสภาเสร็จนะก็จะสนทนาพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอย่างนี้แหละเนี่ยนะประชุมสภาเลิกหรือก่อนประชุมสภาก็สนทนาทำก่อนแล้วก็ประชุมประชุมเสร็จก็สนทนาต่ออย่างเง้ยนะเขาจะมีอย่างเงี้ยโบราณอ่ะนะเราสภาเราเปิดไม่ได้แล้วนะ อันนไมสภ า, า ด, ดีนะสภาได้นอันนขอเรประชุมสภาอันอนุสติ6นี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญนะในใ น, นธรรมะที่ควรเจริญนะธรรมะหนึ่งที่ควรเจริญนี่อะไรนะกายคตาสติสหรครตด้วยความสําราญธรรมะสองที่ควรเจริญคือสมถาวิปัสนาควรเจริญธรรมะสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามธรรมะสที่ควรเจริญคือ สติปัฏฐาน4ธรรมะหที่ควรเจริญคือสมาธิมียาน5ใช่ไหมมียานหาหรือองค์หสมาธิมีองค์5้าธรรมะหที่ควรเจริญก็คืออนุสติ6นี่แหละเนี่ยนะมันก็แยกอะไรแยกให้ถูกนะว่าอะไรควรเจริญอะไรไม่ควรเจริญเนี่ยนะตัวที่เจริญจริงๆเนี่ยสมมติถ้าเจริญพุทธานุสตินะกุศลจิตเกิดที่เราหรือพระพุทธเจ้าท่านสูงขึ้น อ่านะรากุศลจิตเกิดมากขึ้นใช่ไหมเราเจริญพุทธานุสติไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะสูงขึ้นหรือจะเสื่อมลงนะพระ อ, องค์ก็เป็นเช่นนั้นแหละพระ อ, องค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณสูงเต็มที่บริบูรณ์เต็มเปี่ยมอยู่แล้วแต่ว่าที่ควรเจริญเนี่ยไม่ได้เจริญเพื่อแหมพระพุทธเจ้าจะได้เลิศรูอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อประโยชน์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราทั้งหลายนั่นแหละเจริญถึงพระธรรมก็เหมือนกันพระสงฆ์ก็เหมือนกันนะเจริญเพื่อให้กุศลจิตของเราเนี่ยเกิดบ่อยเกิดมากขึ้น อย่าลืมว่าในโลกนี่นะในโลกคือกายาวานาคืบกว้างสอกเนี่ยนะถามว่าส่วนไหนมันพอเป็นสาระได้บ้างอาพอที่ควรจะเจริญนะก็มีทางใจนี่แหละใจที่ควรเจริญก็ควรจะเป็นใจที่เป็นไปกับกุศลทำไมอย่างนั้นก็ไปเจริญใจที่เป็นอกุศลเข้าก็จะได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้เนี่ยนะก็จะประสบสิ่งที่ไม่ควรประสบอีกเนี่ยนะก็จะได้เกิดในโลกที่ไม่ควร กจะได้ผัสสะที่ไม่ควรเสวยไม่ควรไม่ควรได้แล้วก็จะได้เสวยเวทนาที่ไม่ควรเสวยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่ยินดีจะเจริญกุศลเมื่อไหร่นะให้รู้สักจเจริญกรุณาให้ตัวเองนอยเล ย, เลยว่าเราไม่ได้ดีแล้วหนอเพราะเนี่เนี่ยขนาดเรามีโอกาสเสกษาพระธรรมคำสอนก็ยังปล่อยให้จิตเป็นไปกับอักุศลเช่นนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วหนอันแต่ก็ รู้เลยว่าวัตทุกนี่ยาวแน่วันนั้นนะต่นี่ก็สมควรกับเวลานะอนุมโมทนา